คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจที่จะจะตามมาต่อไปทำในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเส้นทางชีวิตของพวกเราของมนุษย์ เส้นทางชีวิตของพวกเรานี้โดยหลักก็มีอยู่สองเส้นทางใหญ่ๆเพราะว่าชีวิตของพวกเรานั้นประกอบขึ้นด้วยสองอย่างด้วยกันคือร่างกายและจิตใจเส้นทางของร่างกายนั้นก็คือเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นเหมือนกันทุกคนร่างกายเส้นทางของร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตัสาวกหรือเป็นปุตุชนก็จะไปในทางเดียวกันร่างกายเมื่อเกิดมาแล้ว <c oughs> ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดไม่มีข้อยกเว้น นี่คือเส้นทางของร่างกายของทุกคนส่วนเส้นทางของจิตใจนี้หรือเส้นทางของจิตวิญญาณ น, นี้มีอยู่สองทางด้วยกันคือไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหรือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดคือไปพานิพานก็มีสองเส้นทางใหญ่ สำหรับจิตวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันตสาวกก็ไปพานิพานหยุดการหยุดการไปเส้นทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป การเวียนว่ายตายเกิดก็มีหลายเส้นทางด้วยกันแบ่งเป็นสองเส้นทางใหญ่ๆคือเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติและเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติการเวียนว่ายในทุกขตินี้ก็มีอยู่สี่เส้นทางด้วยกันคือเวียนว่ายตายเกิดในภพของเดลชาน เวียนว่ายตายเกิดในภพของเกรดเวียนว่ายตายเกิดในภพของอสูรกายและเวียนว่ายตายเกิดในภพของนรกนี่คือทุกขติเป็นการเวียนว่ายในภพที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเป็นเหมือนกับที่ติดคุกติดตารางของของจิตวิญญาณที่ทาบาปต่างๆ ส่วนการเวียนไหวในสุขคตินี้ก็คือเวียนไหวในสวรรค์ชั้นต่างๆมีเวียนไหวตายเกิดในสวรรค์ชั้นเทพเวียน่หวตายเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมและเวียนไหวตายเกิดในสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันพระสกิดราคามีและพระอนาคามี ที่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานนี่คือเส้นทางชีวิตของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนเป็นเส้นทางที่เราสามารถเลือกกระทําเลือกไปกันได้เส้นทางของร่างกายนี้เราเลือกไม่ได้ร่างกายนี้เมื่อเราได้มันมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปแต่มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรา มันมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วมันก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลาที่มันตายไปการพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นธาตุนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้ทำให้จิตใจไม่ต้องมาทุกข์ กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอผู้ที่แก่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนั้นไม่ใช่ผู้ที่พิจารณาคือจิตใจแต่เป็นร่างกายที่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่มากับธาตุสีแล้วก็จะต้องไปกับธาตุสี่ต่อไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ร่างกายนี้เราเอามาจากธาตุสี่เช่นธาตุลมก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาธาตุน้ำก็คือน้ำต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายธาตุดินก็คือของแข็งอาหารต่างๆเช่นข้าวผักเป็นต้น ตรงนี้ก็เป็นธาตุดินทำมาจากดินธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์นี่เองเมื่อธาตุทั้งสี่มาเข้ามาในร่างกายมันก็จะมาผลิตอาการ32สองของร่างกายขึ้นมาผลิตผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจ ดับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำสเลดน้ำดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำน้ำไข่ข้อน้ำมูดนี่คืออาการสามสิบสอง ที่ทำมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วพอร่างกายเข้าสู่ความตายหยุดลมหายใจเข้าออกสิ่งที่ไม่เข้ามามีแต่ออกไปก็คือธาตุลมหยุดลมหายใจหยุดหายใจลมเข้าไม่มีมีแต่ลมออกคือออกตามทวารต่างๆ ตามด้วยธาตุไฟคือความร้อนในร่างกายก็จะแยกตัวออกไปตามด้วยธาตุน้ำแล้วเหลือแต่ธาตุดินร่างกายก็แห้งกรอบอวัยวะทั้งกระดูกทั้งอวัยวะทั้งหลายเนื้อหนังก็แห้งกรอบต่อไปก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือเสิ่งที่ พวกเราทุกคนควรที่จะพิจารณากันให้ดูว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราลองค้นหาดูว่าตัวเรานั้นอยู่ที่ไหนในร่างกายแยกอาการสามสิบสองออกมาดูดูว่าผมนี้เป็นเราหรือเปล่าขนนี้เป็นเราหรือเปล่าและฟันหนังเนื้อกระดูกนี้เป็นเราหรือเปล่า เวลาตัดผมไปเราหายไปด้วยหรือเปล่าเวลาถอนฟันไปเราหายไปด้วยหรือเปล่าไม่มีสิ่งใดในนี้ในอาการสามิสองนี้ว่าเป็นเราเลยแล้วเราไปอยู่ที่ตรงไหนในส่วนไหนของร่างกายมันอยู่ในความหลงในใจต่างหากใจหลงคิดไปเองเพราะใจไปครอบครองร่างกาย พอได้ร่างกายนี้มาครอบครองเนื่องจากใจมองไม่เห็นตัวเองเพราะตัวเองไม่มีรูปร่างหน้าตาพอมาครอบครองร่างกายสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายไปคิดว่าผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งเป็นคนเดียวกันแต่ความจริงแล้วใจนี้เป็นผู้ที่อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่ในโลกลิพย ใจนี้เป็นธาตรู้ที่มีความสามารถนอกจากรู้แล้วยังมีความรู้สึกนึกคิดและเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกับร่างกายผ่านทางกระแสที่เรียกว่าวิญญาณของใจได้วิญญาณทางตาหูจมูมกลิ้นกายก็จะเป็นเชื่อมเกาะติดกับ ตาหูจมูกมิ้งกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่ตาไปสัมผัสกับรูปรูปก็จะวิ่งเข้ามาทางผ่านทางวิญญาณเข้ามาที่ธาตุรู้คือใจแล้วใจก็จะใช้สัญญาความจำได้หมายรู้ว่าวิเคราะห์ว่ารูปที่เห็นนั้นเป็นรูปอะไรเป็นรูปที่ดีหรือไม่ดีเป็นเป็นภัยหรือเป็นประโยชน์ ถ้าเป็นภัยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นประโยชน์ก็จะเกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาสังขารความคิดปรุงแต่งของใจก็จะสั่งให้ร่างกายทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์ก็ให้ไปเอามาครอบครอง ถ้าเป็นอันตรายก็ให้หลบหนีไปให้เดี๋ยมีไปอย่าเข้าใกล้เช่นเวลาไปเห็นงูเข้าก็สังขารก็จะสั่งให้ร่างกายว่าถอยดีกว่าถ้าไปเห็นกองเงินกองทองเข้าก็ให้เดินเข้าหาได้เลยอันนี้ผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันผู้สั่งก็คือใจผู้รับคำสั่งก็คือร่างกาย นี่คือสิ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องของความทุกข์เกี่ยวกับร่างกายได้ถ้าเราเราหมั่นพิจารณาสอนอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ เพรามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราว อ, อยู่ได้ไม่นานเกินไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนมากอนอกยกเว้นบางคนอาจจะอยู่ได้เกินร้อยปีแต่ก็ไม่ถึงสองร้อยปีอย่างแน่นอนอเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวเราของเราไม่เป็นของเรา ถ้าไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆ อ, อยากจะให้เป็นของของเราไปเรื่อยๆ อ, อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมามันก็สร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาเห็นได้อย่างตลอดเวลาว่า ร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวยหรือจนใหญ่โตหรือไม่ใหญ่โตฉลาดหรือโง่เป็นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์หรือเป็นปุถุชนร่างกายของทุกคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันทท้งนั้น แต่ใจผู้ที่มาครอบครองนี้จะทุกข์ไม่ทุกข์ก็อยู่ที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพอปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเพราะรู้ว่าไม่ใช่เป็นตัวของท่านท่านไม่ได้เป็นร่างกายท่านเป็นใจ ผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆท่านก็วางเฉยด้วยอุเบกขาดูแลไปตามอัตภาพยังกินได้ก็กินไปยังดื่มได้ก็ดื่มไปยังทำอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องหยุดก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมนอันนี่คือเส้นทางของชีวิตของพวกเราทุกคน ที่พวกเราจะต้องไปด้วยกันทุกคนคือร่างกายของพวกเราถ้าเรามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามธรรมะคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเส้นทางของร่างกายคือเวลาร่างกายเดินเข้าสู่ความแก่เดินเข้าสู่ความเจ็บไข้เป็นโรคชนิดต่างๆ เป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดัน <c oughs> หรือเกิดอาการพิกลพิการขึ้นมาใจจะไม่ทุกข์ไม่สะเทือนใจไม่เดือดร้อนใจใจจะรับความจริงเพราะรู้ว่าเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ความจริงของร่างกายเวลามันเป็นก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปดูแลได้รักษาได้ก็ดูแลไป ดูแลไม่ได้ก็ทําใจทําใจเฉยๆไม่ต้องไปดิน้นรนไม่ต้องไปฝืนความจริงแล้วใจจะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่ทุกข์ร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายนี่คือเรื่องของเส้นทางของชีวิตของร่างกายของพวกเราทุกคน จะต้องเป็นไปแบบนี้อยู่ที่พวกเราจะฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าฉลาดเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าไม่ฉลาดไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็จะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้ า, าพระลานทาวงศ และพระอาริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมานี้ท่านรู้ความจริงอันนี้ท่านเห็นความจริงอันนี้รู้แจ้งเห็นจริงว่านั่งกายไม่ใช่ตัวท่านท่านก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายสามารถรับมันได้อย่างหน้าตาเฉยนี่คือเส้นทาง ชีวิตเครื่องหนึ่งคือร่างกายส่วนเส้นทางชีวิตของจิตวิญญาณที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ ม, มีทางเลือกไปได้หลายทางด้วย ก, กัน<ม>ไปสุขกติก็ได้ไปทุกขกติก็ได้<ม>เส้นทางของจิตวิญญาณนี้พว<ม>กเราเลือกกันได้<ม>เหมือนกับจะไปเหนือก็ได้จะลงใต้ก็ได้<ม>เช่นเราอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่นี่ เราอยากจะไปทิศเหนือเราก็ต้องตีตั๋วรถไฟหรือตีตัว๋วเครื่องบินไปขึ้นไปทางทิศเหนือถ้าไม่มีตัว๋วก็ต้องเดินไปแล้วก็ถ้าต้องการไปทิศใต้<ม>ก็ตีตั๋วไปทิศใต้ขึ้นเครื่องไปทิศใต้อยู่ที่เราเราสามารถเลือกได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ ถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่าเรากาลังตีตัวไปทางทิศใต้แล้วเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็หยุดได้เปลี่ยนได้คอยไปคอยตีตัวจะไปทางทิศใต้ก็เปลี่ยนตัวมาเป็นให้ไปทางทิศเหนือ <S <S ถ้าเรากำลังเดินไปสู่ทุกขติคือเดินไปสู่ภพภูมิของของความทุกข์ต่างๆทุกขตินี้ก็มีอยู่สี่ สี่พบด้วยกันที่เรียกว่าอบายสี่พบของเดรัจฉานพบของเกรดพบของอสุรกายและพบของนรกสี่พบนี้เป็นพบที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมาทุกข์กับการเอาตัวอยู่ให้รอดต้องคอยป้องกันภัยต่างๆที่มีอยู่รอบด้าน เพราเป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่าตนเองไม่ค่อยมีความสุขถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของมนุษย์แล้วมนุษย์นี้มีความสุขมากกว่าสัตว์เดรัจฉานสาเหตุของการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดจากการกระทำบาลด้วยเหตุผลคือความหลงไม่รู้ว่าการทำบาป นี่จะนาไปสู่การไปเป็นสัตว์ในลาชานหรือพวกที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลีงชีพด้วยการฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ฆ่าวัวฆ่าควายเพราะไม่ผิดกฎหมายกฎหมายอนุญาตให้ทำได้แต่กฎแห่งกรรมนี้มันผิดถ้าฆ่าแล้วก็ต้องผิดตรงนี้เรียกว่าทาบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นการผิด กฎแห่งกรรมมันจะต้องมีผลตามมาก็คือจะต้องไปอยู่กับพวกสัตว์เดรัจฉานเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานเขาก็ทําบาปด้วยความหลงนี่แหละเขาก็ไม่รู้ว่าเขากําลังทําบาปอยู่แต่เขาต้องเอาตัวอยู่รอดเขาต้องเลี้ยงชีวิตของเขาและวิธีที่เขาสามารถเลี้ยงชีวิตของเขาได้ก็วิจิการทําบาปกินสัตว์เล็กกินสัตว์น้อย สัใหญ่กินสัตว์น้อยอันนี้คือวิถีชีวิตเส้นทางชีวิตของผู้กระทำบาปด้วยความหลงเพราะอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจากบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกที่ทงสอนว่าอย่าทำบาปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดเหตุผลนัน้นใดก็าตามเป็นบาปทั้งนั้น ทำแล้วก็จะต้องไปรับผลของบาปต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภกที่ไม่ปาถนาะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขตินี่ภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานี้เกิดจากการทำบาปด้วยความหลงส่วนผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภอยากรวยอยากอยากได้อะไรมากๆอยากมีอะไรมากมา ก, มากอยากเป็นใหญ่เป็นโต อยากเป็นใหญ่เป็นโตสูงสูงก็ใช้วิธีทำบาปต่างๆโกหกหลอกลวงช่ อ, ชอโกงหรือแม้กระทั่งการค่าถ้าจำเป็นจะต้องค่าเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มาตรงนี้ก็จะไปเป็นเปรตไปเวียนว่ายตายเกิดในภพของเปรตเพราะความโลภนี้จะทำให้เปรตนี้มีความรู้สึกหิวโหวยตลอดเวลา ได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอท่านเปรียบเทียบเปรตว่ามีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าตุ่มน้ำการที่เยาวน้าเข้าปากได้เข้าได้ทีละนิดก็น้ำน้าในท้องก็เลยไม่ไม่เคยเต็มได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอได้น้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสน จนกระทั่งได้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไปถามพวกที่มีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านว่าอิ่มพอหรือยังไม่อิ่มเหรอเพราะใจมันเป็นเปรตใจมันหิวหิวด้วยความโลภด้วยความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่มีความสุขจากการได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมามากม า, ายกายกองเพียงไรก็ตาม ถ้าทำบาปด้วยความโลภแล้วมันก็เป็นเปรตดีๆนี่แล้วเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นเป็นเปรตไปแล้วเป็นเปรตก็ทำบาปด้วยความโลภวิธีแก้าาการไม่เป็นเปรตก็คืออย่าโลภมากให้มักน้อยสันโดษแล้วก็หาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปอย่าไป หามาโดยวิธีลักทรัพย์ช่อโกงโคหกหลอกลวงหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้หามาโดยวิธีสุดจริตทำมาหากินรับจ้างไปได้ค่าจ้างมาก็เป็นค่าจ้างที่บริสุทธิ์อย่างนี้ก็จะไม่ไปเป็นเปรกแต่ถ้าอยากจะโลภมากอยากจะได้มากๆ ม, มีมากๆ แต่ถ้าหาได้โดยที่ไม่ได้ทำบาปก็ยังไม่ไปเป็นเปรตอยู่แต่ถ้าหาโดยวิธีทำบาปอันนี้ถึงจะไปเป็นเปรตต่อไปเห็นไถ้าอยากได้มากก็หาโดยวิธีสุดจริญหาด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าตั้งตาทำมหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตอันนี้ก็ยังป้องกันไม่ให้เป็นเปรตได้แต่ถ้า ใจล้อนทํามาหากินด้วยความเื่อสัตว์สุจริตมันช้ากว่าจะได้มันมันใช้เวลามากใช้เวลานานก็เอาทางลัดด้วยการช่อโกงด้วยการลักทรัพย์ด้วยการโกหกหลอกลวงหรือด้วยการฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตอันนี้ก็จะทําให้จิตใจกล า, ายเป็นเปรตไปนแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพของเปรตไปเรื่อยๆจนกระ บ, บาปที่ได้ทําไว้ได้หมดลง ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้มาเจอคนฉลาดที่สอนว่าอย่าทําบาปนะทําบาปแล้วต้องไปเกิดในทุกขติ <c oughs> ก็อาจจะกลับมาทําบาปตามเดิมเพราะมันมีนิสัยเดิมติดตัวมาเคยทําบาปด้วยความโลภทาโลภด้วยทําโลภด้วยการกระทําบาปก็จะกลับมาทําต่อไป แล้วก็จะกลับไปตายตายไปคือดวงวิญญาณก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดในภพของเปรตต่อไปมันก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาเจอคนฉลาดเจอพ่อแม่ที่ฉลาดที่รู้ว่าการทาบาปไม่ดีล้วก็สอนห้ามไว้ไ ม, ไม่ให้ไปทำบาปแล้วถ้าเห็นว่าเชื่อฟังพ่อแม่แล้วทาเลิกทำบาปได้ ตัวบามีฮิริโอตปะหรือว่าผลบาปจะทําให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในโชคกติอย่างนี้ก็เปลี่ยนวิถีได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการไปเวียนว่ายตายเกิดในการเป็นเปรตกลับมาเวียนว่ายตายเกิดจากการเป็นมนุษย์ถ้าเป็นถ้าไม่ได้ทําบาปเลยนี่ก็จะยังต่ําก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว แต่ไม่ต้องไปเกิดในทุกขติถ้าไม่ได้ทำบาปถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปประเพณีไม่พูดปดตายไปก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติการไปถ้าทำบาปด้วยด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขามาทำร้ายเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเช่นเวลามีสัตสัตว์ร้ายหนงเข้ามาในบ้าน มีสัตว์ที่เป็นอันตรายมแมลงมีมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือมีสัตว์เลื้อยคานต่างๆก็กลัวมันจะมาทำร้ายเราก็เลยทำร้ายมันก่อนเจอมันก็ทุบมันตีมันให้ตายอย่างนี้ก็จะทำให้ตนเองนั้นไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว กลัวอะไรต่างๆจิตใจนึกคิดปรุงแต่งแต่เรื่องที่น่าหวาดกลัวน่าหวาดเสียวมีแต่ความทุกข์ทรมานใจอยู่ตลอดเวลาวิธีที่จะไม่ไปในนามศุลกายรก็คืออย่าไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นถึงแม้เขาจะเป็นสัตว์ที่มีอันตรายก็จับเขาไปปล่อยที่ปลอดภัยงูเข้ามาก็ถ้าจับเองไม่ได้ก็เรียกหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยจับไป เขาก็จะไม่ทําร้ายมันเขาจะมาจับมันเพื่อเอาไปไปล่อยในที่อยู่ของมันบางทีมันหลงทางออกมาจากป่ามันไม่รู้จักมันไม่รู้จักทิศทางที่จะกลับไปเราก็ช่วยพามันกลับไปบ้านของมันอย่าไปทำร้ายชีวิตของผู้เพื่อป้องกันชีวิตของเราพระเจ้าสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวิญญาณ ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมถ้าเราไม่ทำเขาเรายอมให้เขาทำเราเรายอมตายใจของเรานี้จะไม่ไปตกไปในอบายเราจะกลับมาเกิดอย่างต่ำก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสูงกว่านั้นก็อาจจะไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันก็ได้เพราะพระโสดาบันนี้ ท่านไม่ทําบาปโดยเด็ขดขาดท่านยอมตายถ้าชีวิตท่านต้องตายระหว่างการการตายกับการกระทําบาปนี้ท่านเลือกความตายเพราะท่านรู้ว่าเมื่อทําบาปแล้วยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกข ต, ติต่อไปนี้ก็ทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุ ร, รกายเวียนว่ายตายเกิดในภพของจุลกาย กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาทํำบาปซ้ําเดิมนีกตายไปก็กลับไปเกิดเป็นอสุรกายอีก mm hmm. แล้วถ้าทํำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใครทําให้เราโกรธนี่ต้องล้างแค้นอันนี้ก็จะทําให้ไปนรกไปเวรไหว้ต า, ตายเกิดในนรกนรกก็เป็นเหมือนกองไฟนี่เองการไปอยู่ในกองไฟมันไม่ดีหรอก มันร้อนมันทําให้ใจร้อนทุกร้อนอยู่ตลอดเวลาลองสังเกตดูเวลาที่เราโกรธใครแล้วอาฆาตพยาบาทอยากจะทําร้ายเขานี้กินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยความทุกร้อนในใจนะเอาใจบอกว่าอยา่าทําทำร้ายชีวิตของผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นให้แกจให้ใช้น้ําของธรรมะมาดับไฟ น้ำที่จะมาดับไฟได้ก็คือความเมตตาให้ความเมตตาด้วยการให้อภัยสัพเพสัตตาเวลาโหนตุเราจะไม่มีเวนจองเวนจองกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงใครจะทําอะไรให้เราเสียหายทําให้เราเดือดร้อนทําให้เราทุกข์เราจะไม่จองเวนจองกรรมเราจะให้อภัยเราจะคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็ได้ แล้วอาจจะไปทําให้เขาทุกข์ใจเดือดร้อนมาก่อนเขาทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเขาเลยต้องมาจองเวรจองกรรมกับเรามาร้างแคนเราแต่เราจะไม่ตอบโต้เพราะการจองเวรจองกรรมกันนี้เวรไม่รังงับด้วยการจองเวรจองกรรมเวรจะรังงับด้วยการไม่จองเวร คือปล่อยเขาทําไปเราจะไม่มีเวรกับเขาอีกต่อไปพอเขาทาเสร็จแล้วเขาก็จะไม่กลับมายุ่งกับเราอีกแต่ถ้าเราไปทําร้ายเขากลับอีกเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาอีกมันก็จะเป็นการจองเวรจองกรรมปไปข้ามภพข้ามชาติไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ยอมระงับการจองเวรวิธีที่เราจะระงับการจองเวรก็พระพุทธเาก็สอนว่าให้เราคิดอย่างนี้ ถ้าเขาไม่ชอบเราชอบใส่ร้ายเราชอบว่าเราชอบอะไรเราก็ donc, ให้เราคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ยังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ <minorities, S 1> ่าเราก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปเสียทีห้คิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะ้องเราก็จะได้ไม่ไปจองเวรจองกรรมไม่ไปอาฆาตพยาบาทกันคิดว่าเป็นการใช้นี่ใช้กรรมไปจะได้หมดเวรหมดกรรมไปในที่สุดอย่างไรเราก็ต้องตายอยู่ดีตายด้วยการไม่มีเวรดีกว่าตายด้วยการมีเวรถ้าเราตอบโต้เขาเขาทำเราเราทำเขาเวลาเราตายเขาตายไปจิตวิญญาณของเราก็ยังเลียดชังกันอยู่ พอไปเกิดพบหน้าไปเจอกันที่ไหนก็จะจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปอยู่เรื่อยๆสังเกตดูไหมคนเราบางทีเราเจอคนนี้เจอคนนี้แล้วมันมีแต่เรื่องมีแต่มีแต่ปัญหามีแต่คอยเอาเรื่องเอาเราอยู่เราอยู่เรื่อยก็เพราะมันมีเวรมีกรรมกันมานวิธีที่จะจัดการกับคนที่เขาร้ายกับเราก็คือเราต้องดีกับเขา เราต้องเฉยไม่ต้องดีท่านดีไม่ได้เราก็ต้องเฉยไว้อย่าไปตอบโต้ให้คิดเแียว่าเขาเพียงแต่ทำท่านี้ดีแล้วยังไม่ทํามากกว่าก่อ น, นี้นถ้าเขาดาข่าก็ดีแล้วยังไม่ตีเราแล้วก็ตีแล้วก็ดียังไม่ได้ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็ดีจะได้หมดเวรเพราะเพราะว่าเมื่อเขาได้ฆ่าเราแนละ้วเขาก็จะหายโกรธหายเกลียดเราเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราอีกต่อไป พบหน้าชาติหน้าเจอกันก็ต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันไม่มีปัญหาต่อกัน น, นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติเส้นทางของจิตวิญญาณของพวกเราเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถเลือก่จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ตอนนี้เรารู้แล้วสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า จึงทำให้พวกเราหูตาสว่างขึ้นว่าการไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน mm hmm. การไปเป็นเปรต mm hmm. การไปเป็นอนสุสวรกาย mm hmm. การไปตกนรกนี้ mm hmm. เกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําบาป mm hmm. ด้วยความลักชังหรือกลัวหลงนี้เองถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปเว้ยว้ในทุกขติเพราะทุกคนเท่าที่สังเกตดูเวลาคนตายไปนี้เรามักจะขอให้เขาไปสู่สุขติกันทั้งนั้น ไม่มีใครขอให้ไปทุกขติเลยแต่ขออย่างเดียวไปไม่ได้ขอให้ไปสุกติขออย่าไปทุกขตินี้ขอไม่ได้ของพวกนี้มันเกิดจากการกระทำแต่ได้ก็เกิดจากการกระทําหรือไม่กระทําถ้าไม่อยากจะไปทุกขติก็อย่าไปทำบาป <ượng. S 1> แล้วใจก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติ ถ้าไม่ทำบาปเลยแต่ยังไม่ได้ทำบุญเลยก็จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วจะกลับมาเปิดเป็นมนุษย์ทันทีเพราะไม่มีบาปต้องไปชำชำละแล้วก็ไม่มีบุญที่จะส่งให้เราไปสุขคติถ้าอยากจะไปสุขคติเพราะสุขคตินี้มันเป็นที่ที่มันมีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์<ม>คือภพของเทวดาของอินพรหม ของพระอริยบุคคลที่ยังไม่ไปถึงนิพพานนั้นเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าที่มีความทุกข์นถ้าเราอยากจะไปสุคติหลังจากที่จิตเวีย ญ, ญาณของเรานี้ตายไปแล้วแล้วอยากจะไปให้ถึงขั้นสูงสุดเราก็ต้องมาทาบุญขั้นต่างๆด้วยกันถ้าอยากจะไปไปสวรรค์ชั้นเทพไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทพเนี่ย เราก็ต้องปิดประตูบายก่อนเราต้องไม่ทำบาปต้องรักษาศีลห้าอยู่เรื่อยๆศีลห้าเป็นปกติเรียกว่านิจศีลไม่ใช่ต้องมาคอยขอศีลห้าทุกวันพระขอแล้วก็รักษาแค่วันเดียวอีกหอวันก็กลับไปทำบาปแล้ววันพระหน้าก็กลับมาขอใหม่อย่างนี้แสดงว่ายังปิดประตูบายไม่ได้ยังต้องไปตก นรกได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราจฉานได้ถ้าบุญที่ทําไว้มันน้อยกับบาปที่ทําไว้การที่เราจะไปสุขคติได้นี้เราต้องทําบุญมากกว่าทําบาปดังั้นเราต้องรักษาสิห้าละเว้นจากการกระทําบาปทั้งพวงให้ได้ให้เป็นปกตินิสัยแล้วก็หมันทําบุญให้เป็นเป็นนิสัยทําตามปกติ เรนทำบุญทุกวันอย่างชาวพุทธเหล่านี้มีโอกาสได้ทำบุญทุกวันเพราะมีพระมาบิณฑบาตสามารถทำบุญด้วยการตักบาตรวันละเล็กวันละน้อยไม่จำเป็นที่จะต้องทำทีมากๆเหมือนกับกินอาหารก็ต้องกินทุกวันกินวันละสามมือ้อบุญก็ควรจะทำวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะถ้าได้ถ้าถ้าได้ทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัย แล้วมันจะทำง่ายง่ายกว่าว่ารอให้ปีหนึ่งค่อยมาทำสักครั้งรอให้วันเกิดก่อนแล้วค่อยมาทำสักครั้งบ<ม>องทีพอถึงวันเกิดก็เสียดายเงินนี่แทนที่จะได้ทำมากก็ทำแค่นิดเดียวบุญก็จะได้น้อยกว่าคนที่ทำวันนิดวันน่อยแต่ทำทุกวันพอปีหนึ่งมันมารวบรว ม, รว ม, รวมแล้วมันก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาเป็นบุญกองใหญ่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นอย่าไปรอทําบุญกองใหญ่ๆเช่นปีหนึ่งรอให้ทอดกระถินทีหนึ่งรอให้วันเกิดทีหนึงค่อยทําอย่างนี้มันพวลาถึงเวลาจะทำมันจะเสียดายเงินมันจะไม่ทําทําไม่ได้มากเพราะมันโดนกิเลสความตณนีมันคอยสกัดกัน้นน้อยงนั้นทําแบบวันละน้อยๆนี่กิเลสความตณนีมันมากั้นไม่ได้ เพราะาทำบุญใส่บาทวันละห้าสิบบาทร้อยบาทนี่ใส่ข้าวถุงกับข้าวถุงนมันง่ายแต่ถ้าต้องมาทำกับข้าวสามสิบถุงเดือนนึงทำทีนี้บางทีมันเสียดายเอาเงินซื้อกับข้าวสามสิบถุงนี่มันมากมันมากกว่าเงินที่ซื้อกับข้าววันละถุงดังนั้นก็พยายามทำบุญอยู่ทุกวันทำทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับที่เราสอนเด็กให้อ อ, อมทรัพย์มีกระปุกออมสินให้เด็กใส่กระปุกไว้อันนี้ไปโรงเรียนกลับมามีค่าขนมเหลือเท่าไหร่เอาเก็บใส่กระปุกไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้แม่ให้เงินไปโรงเรียนใหม่มีเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอามาใส่กระปุกไว้อพอเดืนอนหนึ่งนี้เงินก็จะเต็มกระปุกได้มากสามารถเอาไปทาบุญได้มากกว่า การที่เราจะมารอวันสําคัญสําคัญแล้วค่อยมาทําบุญแต่ละครั้งถ้าเราคือรอทําบุญแบบนี้บางทีบาปมันจะมากกว่าบุญที่เราทำเวลาตายไปแทนที่เราจะได้ไปสุคตินี้เราก็ยังจะไม่ได้ไปถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติต่ตอไปจนกว่า บ, บุญมีกําลังมากกว่าบาปเท่านั้นเนะ่ย ถึงจะสามารถดึงจิตมิญญาณให้ไปเยือนว่ายตายเกิดในสุคติได้แพวกที่ทำบุญอย่างสม่าเสมอรักษาศีลอย่างสม่าเสมอศีลห้าเวลาตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพซึ่องมีอยู่หกชั้นด้วยกันมีชื่อต่างๆเช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดุสิตอันนี้มีชื่อ มีความสุขมากน้อยลดหลั่นกันไปมากน้อยตามกำลังของบุญที่ได้ทำเอาไว้ทำบุญมากก็จะได้ความสุขมากจะได้สวรรค์ที่ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่บุญนี้แต่เงินนี้ไม่ได้วัดด้วยกัน ด, ด, ด้วยด้วยจำนวนเงินนะคือคนสองคนทำบุญเงินเท่ากันอาจจะไปสวรรค์ชั้นไม่ไม่เท่ากันก็ได้เพราะว่าไม่ได้รับที่ตัวเงินอย่างเดียว คือทำบุญพันบาทสองคนทำบุญพันบาทแต่คนยังไงจะได้สวรรค์ชั้นสูงก่บอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะเหตุใดเพราะเขาวัดเงินด้วยจํานวนสัดส่วนของเงินที่เรามีอยู่หรือรายได้ที่เราได้เช่นคนที่ทํางานได้เดือนนับหมื่นเนี่ยทำบุญพันหนึ่งก็ได้ทําบุญร้อยละสิบแต่คนที่ได้เงินเดือนเดือนล้าแสนเนี่ยทำบุญพันหรือบาทเท่ากัน ถ้าเท่ากับทำบุญแค่ร้อยละหนึ่งท่านเองแสดงว่าบบทาบุญได้บุญน้อยกว่าคนที่ได้เงินเดือนหมื่นบาทคนมีแสนบาทอยากจะได้บุญเท่ากับคนที่มีเงินเดือนหมื่นบาทก็ต้องทำหนึ่งหมื่นบาทรายได้ต้องทำร้อยละสิบเท่ากันอันนี้มันเป็นเป็นเป็นวิธีที่เท่าเทียมกันจะได้ไม่ต้างอ้างว่าคนจนทำบุญได้น้อยกว่าคนรวย คนจนก็ทำบุญได้มากเท่ากับคนรวยเพราะเราวัดที่สัดส่วนของรายได้หรือของสมบัติที่เรามีอยู่ถ้าเรามีแค่หมื่นหนึ่งเราทาร้อยละสิบเราก็ทำแค่พันเดียวถ้าเรามีแสนหนึ่งเราทำร้อยละสิบเราก็ต้องทำหมื่นหนึ่งถ้าเรามีล้านหนึ่งเราทําร้อยละสิบเราก็ต้องทาแสนหนึ่งมันถึงจะได้บุญเท่ากันนั้นคนจนนี่ทำบุญเงินน้อยกว่า แต่ได้สวรรค์ชั้นเดียวกับคนที่มีเงินมากกว่าทำบุญด้วยเงินมากกว่ากันเพราะเขามีเงินมากกว่าเขาเลยต้องทำมากกว่านี่คือนี่คือสัดส่วนของของบุญถ้าทำร้อยละสิบก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำถ้าร้อยละยี่สิบก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆสวรรค์ก็มีแบ่งเป็นหกชั้นด้วยกันก็ลองแบ่งแบ่งจานวนเงินที่เราทอ ถ้าเราทําบุญหนึ่งในหของทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เราก็ได้ชั้นที่หนึ่งถ้าทําบุญด้วยสองในหส่วนของสมบัต vale ิที่เรามีอยู่เราก็ได้ชั้นที่สองถ้าเราทําบุญสมในหส่วนของสมบัติที่เรามีอยู่เราก็ได้ชั้นที่สมถ้าเราทําบุญสี่ในหของสมบัติที่เรามีอยู่เราก็จะได้บุญชั้นที่สที่ห้าที่หไปตามลําดับของสรัพส่วนของเงินคนที่ทํา ทำหมดเลยน้อยทั้งน้อยมีหกส่วนก็ทาหมดทั้งหกส่วนไปพวกนี้ก็จะไปบวชกันจะไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงของเกินชั้นเทพเพื่อจะไปหาความอยาไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมต่อไปพว<ม>กที่เป็นนักบวชนี้ทำทานหมดเลยมีเท่าไหร่ทงหมดเช่นพระพุทธเจ้านี้ก็สะละราชสมบัติ ท่านก็จะได้สวรรค์ชั้นชั้นสูงสุดของชั้นเทพเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพต่อไปก็คือสวรรค์ชั้นโมวิธีที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นโมนี้ต้องทาอย่างไรต้องไปเป็นนักบวชต้องถือศีลของนักบวชแล้วก็พยายามฝึ ก, กตินั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆให้ได้ จะได้เข้าสู่สวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นความสุขที่สูงสุดในบรรดาสวรรค์ชั้นต่างๆและการที่จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นพรหมเข้าสู่ความสุขของสวรรค์ชั้นพรหมได้ต้องไปบวชกันต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันจะเป็นเหมือนเครื่องถ่วงใจเครื่องดึงใจไว้ไม่ให้ไป ให้ไม่ให้ขึ้นไปสูงก็จะต้องคอยหวงสมบัติหวงสมบัติต้องคอยดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องคอยหาเงินทองมาเพิ่มหาทรัพย์สมบัติมาเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะกลัวจะยากจนกลัวเงินทองจะหมดพวกนี้ก็จะไปได้แค่สวรรค์ชั้นชั้นเทพถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมก็ต้องตัดใจไม่พึ่งเงินทองไม่พึ่งสวรรค์ชั้นชั้นเทพต้องการไปสู่สวรรค์ชั้นพรม ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเข้าสู่รูปประชานหรืออารูปปัจานให้ได้ถึงจะสามารถที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นชั้นพรหมได้อันนี้ก็เป็นเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าต้องมีกมีการปฏิบัติศีลแล้วก็มีการปฏิบัติสมาธิเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญ สมถภาวนาการภาวนานี่คือการยกระดับสวรรค์ของของการของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตจะไม่เวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นเทพแต่จะไปเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกว่าการจะไปได้ก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติก็ต้องตัดกิจกรรมในการหาความสุขทางของเทพของมนุษย์ลงไป เทพกรรมนุษย์นี้ยังเสกกรรมอยู่ยังหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกิรลดโพธิภะแต่ผู้ที่ต้องการจะไปหาความสุขของขลมนี้จะต้องเลิกเสกกรรมเลิกเสกกามไม่หาความสุขจากรูปเสียงกินรลวิธีที่จะทําให้ไม่ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกิรลดโพธิภะก็คือต้องมาถือศีลในขมมะก็เรียกว่าศีลแปดหรือศีลอุโบสถนี่ก็คือ จะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครอีกต่อไปสามีภรรยาใครร่วมหลับนอนกันพอถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมนี้ก็ต้องเลิกหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากดื่มเครื่องดื่มตามความอยากให้ดื่มให้รับประทานอาหารพอเพืพอเพ่อเลี้ยงร่างกายได้ก็พอซึ่งวันละหนึ่งครั้งก็พอเพียง หรืถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ให้ยุติการให้อาหารให้เครื่องดื่มต่างๆแก่ร่างกายเพราะร่างกายได้อาหารได้เครื่องดื่มพอเพียงแล้วถ้าหิวน้ําก็ให้ดื่มน้ําเปล่าๆไปไม่ให้เสพน้ําที่มีรสชาติเพราะมันเป็นการเสพกลามคุณภาถ้าดื่มน้ำมํำหวานน้ํามีสี น, น้ํามีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ายังเสพรูปเสียงกดลิ่นรสของน้ําอยู่ ไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ร่างกายให้น้ำร่างกายเพราะร่างกายต้องการเพียงแต่น้ำร่างกายไม่สนใจว่าน้ำนั้นจะมีกลิ่นมีสีหรือไม่แต่ใจที่มีกิเลสมีกามะตัณหานี้ยังอยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสที่มากับน้ำด้วยเขาจึงใส่รูปสีกลิ่นรสเข้าไปในน้ำแล้วก็เอามาขายหลอกคนกินเงินกินแล้วก็มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมา พอได้เสบรูปเสียงกลิ่นลดของน้ำที่ดื่มแต่ถ้าเราต้องการดื่มน้ำเพื่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ก็ดื่มน้ำเปล่าๆน้ำที่สะอาดนี้ดีที่สุดไม่มีจะไม่มีกิเลสตามมาจะไม่มีสิ่งที่จะมาคอยขัดขวางการปฏิบัติการนั่งสมาธิของเราถ้าเรายังมีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เวลานั่งสมาธิจะรู้สึกอึดอัดเพราะใจมันอยากจะไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆ อัก็ต้องละเว้นการกินการดื่มาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่ไปใช้เวลาไปดูมหอศลศบบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามทางร่างกายให้เสียเวลาไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดมจิตทิสดานไม่ทํเผ้าทําผมไม่ใช้น้ําหอมใช้น้ํามันอะไรต่างๆ เหล่นี้เป็นเรื่องของการมาคุณห้าการมาฉันทะกามอยากเสกการ ม, มันก็จะทําทให้ใจไม่มีเวลามาให้กับการปฏิบัติแล้วก็ข้อสุดท้ายของสินแต่ที่ต้องห้ามก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอพักผ่อนนั่งกายได้วิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องนอนบนเตียงที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุขไม่สบายที่มีฟูกหนาหนาเป็นต้น ให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆหรือนอนกับพื้นเลยก็ได้ปูภาาปูเสื่อก็พอถ้านอนแบบนี้แล้วร่างกายจะนอนพอร่างกายได้พักผ่อนตื่ขึ้นมาสี่ห้าชั่วโมงพอลุกขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนั่งต่อไปเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูก ห, หนาๆเตียงที่สบายพอร่างกายได้พักผ่อนสี่หชั่วโมงตื่นขึ้นมาใจมันยังอยากจะอยู่อยากจะนอนต่อไปเพราะมันสุกมันสบาย มันก็จะนอนต่อแล้วมันก็จะทําให้เวลาที่เราจะเอามาให้กับการปฏิบัติสตินั่งสมาธินี้มันหายไปหมดเอามานั่งสติเอามานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะไม่มีเวลาได้เจริญสติการที่เราจะนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้นิ่งให้เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราจําเป็นที่จะต้องอมีเวลาเจริญจเจริญสติก่อน เราต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดห้ามความคิดอยู่เรื่อยๆให้ได้ก่อนเราต้องทําทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่พอลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดถ้าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือของการสร้างสติขึ้นมากรรมฐานก็มีหลายอย่างด้วยกัน ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติคือจะาเลกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงอดีตอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงอนาคตอย่าให้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธไป ทำงานอะไรก็มีพุโทโธคอยสกัดความคิดไปควบคู่กับการทำงานของร่างกายอาบน้ำน้างหน้าแปลงฟันก็มีพุโทโธพุโทโธกากับไปอย่าปล่อยให้เผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีพุโทโธอยู่มันก็จะไปคิดไม่ได้ทำอย่างนี้ไปได้ถ้าทำได้เรื่อยๆพอถึงเวลามานั่งสมาธิใจมันก็จะนิ่งจะสงบได้ พความคิดที่เราคุมไว้มันก็จะทําให้มันไม่ไปคิดโดยเฉพาะไปคิดถึงเรื่องของการเสกรูปเสียงกลิ่นรสถ้าปล่อยเผลอให้มันไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันก็อยากจะเสกรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาเพราะเกิดความอยากแล้วใจก็จะฟุ้งขึ้นมาใจก็จะตึงเครียดขึ้นมาใจก็จะหงดหิดขึ้นมาพอนั่งสมาธินั่งเฉยๆมันก็จะนั่งไม่ไหวทนความหงดหิดทนความเครียดไม่ได้ งั้นเราต้องพยายามฝึกสติฝึกบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาคิดถึงอะไรขึ้นมาปั๊บถ้าเราดึงใจพุทโธปั๊บเดียวเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะหายไปอาจจะอาการตึงเครียดต่างๆที่เกิดจากความคิดความอยากมันก็จะหายไปเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้ได้อย่างสบายไม่รู้สึกอดัอดอัดไม่รู้สึกหงุดหงิดแร้ไม่นั่งได้ไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ พอจิตรวมใจเขจะนิ่งสงบความคิดต่างๆก็จะหายไปจิตก็เหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างที่มหาจัจจัใจที่รู้สึกไม่มีความสุขอันไดที่เคยพบมาก่อนเลยเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปาลังสุขขงังเหอสุขอืน่นที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ จิตจะสงบได้ก็เกิดจากการมีสติคอยสกัดกั้นความคิดอยู่ตลอดเวลาพอไม่มีความคิดแล้วเวลานั่งนั่งเฉยๆจิตก็จะนิ่งรวมเป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้แหละเป็นความสุขของระดับพรหมแต่ก็ยังเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กดของตายรักเป็นอ น, นิจจังอยู่เพราะว่าจะไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา เดี๋ยวก็ต้องออกมาเพราะว่าร่างกายต้องมีภารกิจต้องทำให้กับร่างกายต้องเข้าห้องน้ำต้องดื่มต้องกินอะไรต้องเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายต่อไปพอออกมาถ้าใจเผลอไม่มีสติไม่มีพุทโธเดี๋ยวใจก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปแล้วถ้าไปคิดถึงความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าต้องการที่จะระงับความอยาก เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องหัดใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาภาวนามาทำลายความอยากเพราะตัวความอยากนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ความสงบหายไปแล้วก็จะทำให้จิตหยาบลงมาจะ ด, ดึงจิตให้กลับมาเกิดใหม่พะยังอยากเสพรูกเสียงจิตลดผลธรรมชาตชนิดต่างๆอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาให้พิจารณาให้เห็นว่า การทำตามความอยากจะนำไปสู่การแสวงหาอยู่เรื s <S nee. ่อยๆเพราะสิ่งที่ได้มานี้มันได้มามันให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงความสุขที่ได้มาเดี๋ยวก็หมดไปอยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มมาได้ความสุขจากการดื่มกาแฟชั่วปรเดี๋ยวปรเดาเดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องไปหากาแฟมาดื่มอีก ถ้าหาไม่ได้ก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกดังนั้นต้องพยายามหยุดความอยากถ้ามีสติมีสมาธิเข้าสมาธิได้การหยุดความอยากนี้จะหยุดได้ง่ายจะไม่รู้สึกทรมานใจพอรู้ว่าการทําตามความอยากเป็นโทษที่จะพาให้ไปเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆพาให้ต้องไปกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาอยากพวกรูปเสียงกลิ่นล้นนี้จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายนั่นเอง ต้องมีตาหงจำหมกนิ้นกายแล้วถ้าเกิดร่างกายอันนี้ตายไปความอยากนี้มันก็จะพาให้กลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายใหม่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปพระพระอรหันตพระุทธเจ้านี้ตัดได้หมดแต่พระอนาคาพาระสกิรดาคาพระ เอาละพระโสดาบานนี้ยังตัดได้เป็นบางส่วนพระโสดาบันตัดเรื่องความอยากอยากจะมีร่างกายได้เพราะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ก็จะไม่จะกลับมาเกิดไม่เกินเจดชาติแต่ยังเห็นยังมีความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับร่างกายของคนอื่นอยู่เพราะยังไม่เห็นอสุภะยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของคนอื่นอยู่ถ้าหมันนะ่นเจริญอสุภะต่อไปก็จะได้เป็นทระสกิราคา ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากแล้วถ้าเจริญสุภาพจนกระทั่งตัดความอยากเสพการร่วมหลับนอนกับคนอื่นได้หมด mm hmm. ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจะไปเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็จะไปติดติดรูปประชากับ ร, รูปประชานในสวรรค์ชั้นผมแล้วพอใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าการอยากในรูปประชาหรือรูปประชาก็เป็น เป็นทุกข์เป็นการเวียนว่ายตายเกิดจะนำกลับมาให้กลับมาเกิดในรูปภพอรูปภพอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะออกจากรูปภพออกจากอรูปภพตอนนี้ออกจากการมาพบได้แล้วไม่กลับไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังต้องกลับมาเกิดยังต้องอยู่ในรูปภพก็ต้องตัดความอยากที่จะเสพรู ป, ปรชาอรู ป, ปรชาญไปให้ได้พอตัดได้แล้วทีนี้ก็จะไปสู่พระนิพพานทันที จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทันทีอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดแห่งการปฏิบัติในการที่จะกาหนดจิตวิญญาณให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในสุคติอันต้นก็ให้รักษาศีลห้าทำบุญทำทานให้เป็นปกติก็จะเวียนว่ายตายเกิดในภพของเทวดา แล้วต่อไปก็มาถือศีลแปดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติทำจิตให้รวมเป็นฌานขึ้นมาพอจิตรวมเป็นฌานก็จะเวียนว่ายตายเกิดในอรูปภพกับอรูปภพแล้วถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดกามะกามะคุณความอยากในกามะคุณห้าคืออยากในเสบูอเสียงกลิ่นรส เพราะการอยากเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็จะทําให้จะต้องมีร่างกายยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ถ้าตัดความอยากเสกการมได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปพระโสดาบันนี้ท่านกลับมาเกิดเพียงเจ็ดเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากส่วนพระสกิรดาคารจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวส่วนพระนาคามีนี้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปเกิดเป็นเป็นพรหมอยู่ ส่วนพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์นี้ไม่กลับมาเกิดเลยอยู่ที่พระนิพพานนี่คือเส้นทางของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนที่พวกเราสามารถเลือกเดินกันได้เพราะพวกเราโชคดีที่เราได้มาเกิดในภพนี้ชาตินี้เรามาได้เจอแผนที่เรามาได้เจอเครื่อง GPS GPS บอกทางเราว่าจะไปทิศทางไหนเราเพียงแต่ตั้งชื่อ ทิศทางที่เราต้องการจะไปจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปเครื่อง GPS มันก็จะบอกเราให้เราทําอะไรบ้างอยากจะไปสวรรค์ชั้นเทพ GPS ก็บอกว่าให้รักษาศีลห้าทำบุญทําทานไว้นี่ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นมภคก็ไปถือศีลแปดไปฝึกสมาธินั่งสมาธิถ้าอยากออกจากถ้าอยากจะไปนิพพานก็ให้เจริญปัญญาพิจารณาเห็นว่าความอยากนี้จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกัน ถ้าสิ่งที่เราอยากมันจะไม่ให้ความอิ่มความพอได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอความอยากจะไม่หมดจากการทําตามความอยากจะให้ความอยากหมดไปก็ต้องไม่ทําตามความอยากหยุดความอยากด้วยกําลังของสมาธิพอเรามีสมาธิเราก็จะมีเรามีปัญญาสอนบอกว่าความอยากการทําตามความอยากนี้ไม่ดีเราก็จะไม่ทําทันทีพอเราไม่ทําตามความอยากการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพ ในใจพบในสังสารวัฏก็จะไม่มีอินต่อไปอันนี้คือพวกเราโชคดีมาเกิดเจอธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแผนที่เป็นเหมือนเครื่อง GPS นำทางให้พวกขับพวกเราถ้าเราไม่มีแผนที่เราจะไปไหนมาไหนนี้เราจะงงว่าจะไปทิศทางไหนดีขึ้นเหนือไปทางเหนือแล้วลงไปใต้เราจะไม่รู้ แต่ถ้าเรามีแผนที่มีคนบอกทางว่าอยากจะไปเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นไปทางเหนืออยากจะไปภูเก็ตก็ต้องลงไปทางใต้เส้นทางไหนก็จะบอกเส้นทางสายไหนไปขึ้นเครื่องที่ไหนอันนี้เป็นต้นถ้าเรามีข้อมูลเราก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายถ้าขาดข้อมูลเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนได้พระเราโชคดีโชคเที่เราได้มาเกิดเจอพระพุทธศาสนา อภิวรสสานาก็คือแผนที่นำทางให้แก่จิตวิญญาณของพวกเรานี้เองเราสามารถเลือกไปตามที่ต่างๆตามความสามารถของเราได้เพราะฉะนั้นการจะไปไหนมาไหนต่อไปหลังจากที่เราตายเวลานี้มันอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครกำหนดได้นอกจากตัวเราเองมันเป็นเรื่องของกรรมลิ์กิตไม่ใช่เรื่องของพรมลิ์กิตการกระทาของเรานี่แหละจะเป็นตัวที่กาหนดจุดสุดหมายปลายทาง ของการเดินทางของเราต่อไปว่าเราจะไปเดินทางสู่สุคติหรือทุคกกติเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายหรือจะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติหรือเราจะไปอยู่พันนิพพานขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาและนำมาปล่อปฏิบัติ อันนี้ก็คือเรื่องเส้นทางชีวิตของพวกเราที่นำามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราป ร, าปริปุรเรนติสาคลังเอวามวาอิโตทินางเปตานาังอุปกักปติอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเร็มตุสังกปาจันโทปนาวาโสยัามณิชติภราโสยัาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิติขายุโกภวะ อาพิวาทานสีริสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมะวาทานติอายุวันโสุขังภาลางังช่วงต่อบไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 ผ่านทาง Facebook 326ท่านทาง YouTube พระจารย์352ท่าน YouTube Dr. V channel 51ท่านวิทยูออนไลน์10ท่านครับ House 7ท่านหน้ากุติ162ท่านรวมมีผู้รับฟังทั้งหมด908ท่านเจ้ะหามีคําถามจากผู้รับฟังธรรมนากุติเจะหา กราบนมัสการพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยจนทำให้นั่งต่อไม่ได้เราควรหยุดพักหรือควรฝืนร่างกายเพื่อผ่านตรงนี้ให้ได้แล้วทำสมาธิต่อดีคะเพราะเวลาฝืนมันจะมีจะไม่มีสมาธิเจ้าค่ะต้องต้องใช้สติถ้าไม่มีสติก็นั่งไม่ได้ฉนั้นต้องฝึกสติให้มากๆากก่อนมานั่ง เราจะนั่งเวลาเจอความเจ็บปวดก็จะสามารถผ่านไปได้ถ้าช่วงที่เจอความเจ็บปวดก็ต้องใช้สติให้มากขึ้นบริกรรมพุทโธพุทโธให้ถี่ขึ้นอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปให้คิดถึงความเจ็บพอคิดถึงความเจ็บแล้วมันจะอยากอยากจะลุกความอยากเนี่ยมันจะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจงชั้นหนึ่งซึ่งเราสามารถป้องกันได้โดยที่ใช้พุทโธพุทโธ ดึงใจให้ออกจากความคิดถึงความเจ็บปวดพ อ, อใจไม่คิดถึงความเจ็บปวดใจก็จะเนื่งเฉยจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดจะนั่งต่อไปได้เพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธินี้เวลาโดยเฉพาะเวลาที่เกิดความเจ็บปวดนี้นั่งเฉยๆไม่ได้ดูลมไม่ได้ต้องใช้คําบริกรรมจะช่วยได้คำพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆไปให้มันถี่ๆเลยอย่าให้มันมีช่อง ใจให้ไปคิดถึงความเจ็บได้แค่ครัเ้เดียวเดี๋ยวเดียวมันก็จะเลี้ยเรื่องความเจ็บแล้วก็จะนั่งต่อไปได้เจ้าค่ะคําถามต่อไปเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความกลัวเราจะมีความคิดในการขจัดความกลัวนี้ได้อย่างไรดีคะคเพราะเจ้าค่ะเขาบอกว่าเพราะ เพราะเวลาหลับตานั่งสมาธิจะเกิดความกลัวสิ่งรอบตัวก็คิดมันก็กลัวขึ้นมาถ้าไม่คิดมันก็ไม่กลัวนอยากคิดให้ใช้พุทโธพุทโธนั่งเฉยเฉยไม่ได้นั่งสมาธิต้องมีพุทโธคอยกํากับใจถ้านั่งเฉยเฉยเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงผีพอคิดถึงผีผีมันก็มาทั่นเองเราไปคิดถึงมันเองทําไมตอนนี้ไม่มีผีอะตอนนี้เราไม่คิดถึงมันใช่ไหมมันก็ไม่มาพอเราไปนั่งอยู่คนเดียวพรอ ตอนนึกถึงผีผีมันก็มาหาเราทันทีงั้นอยากคิดในวลานั่งสมาธิต้องมีพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นจะมีแต่ความสงบตามมาที่นั่งแล้วไม่เกิดผลเพราะไม่มีสติกันพุโทโธได้สองสามคำแล้วก็หายไปแล้วก็ปล่อยให้นั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดถึงผีผีมันก็มาทันทีเจ้าค่ะคําถามต่อไป เวลาเราจเจริญปัญญาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราคิดพิจารณาเกิดจากปัญญาที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดไปเองหรือคิดเข้าข้างตัวเองว่าที่คิดนั้นถูกต้องเจ้าค่ะมันต้องหยุดความทุกข์ได้เช่นไปเจ้ความตายแล้วก็บอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันตายไปพอปล่อยให้มันตายได้ไม่กลัวตายมันก็นี่แหละคือปัญญาที่แท้จริง ถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่แท้จริงต้องมีต้องมีเหตุการณ์ถึงจะรู้ว่าเป็นปัญญาหรือไม่ใช่เป็นปัญญาถ้าไม่มีเหตุการณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาคิดถึงความตายตอนนี้มันไม่รู้ว่าเป็นความว่าเราเราปล่อยได้หรือไม่ได้เพราะมันไม่มีเหตุการณ์มบาบังคับเราแต่พอไปเจอความตายขึ้นเนี่ยใจมันจะทุกข์มันจะเครีขึ้นมาเช่นไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเหลืออีกหกเดือน ดูสิว่าใจเป็นยังไงใจเครียดใจทุกข์ไหมถ้าใจเครียดใจทุกข์ถ้ามีปัญญาก็บอกร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องตายเป็นธรรมดาปล่อยให้มันตายพอยอมปล่อยให้มันตายก็มันก็หายเครียดหายทุกข์เหมือนกับไม่มืนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นหลักคือปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงต้่งเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้และจะรู้ว่าเป็นปัญญาหรือไม่ก็ต้องรอเวลาที่มีความทุกข์ก่อน ถ้ไม่มีความทุกข์อย่างตอนนี้ไม่มีความทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ความรู้ที่เรารู้นี่มันเป็นปัญญาหรือไม่เอาไปดับความทุกข์ได้หรือไม่ให้เรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตอนนี้เราเ ฉ, ะะฉะยๆไม่เดือดรอ้อนพอไปหาหมอหม อ, หมอบอกปเป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นเดือดร้อนนหะถ้าเดือดร้อนก็แสดงว่าปัญญาไม่มีถ้าไม่เดือดร้อนนั่นก็แสดงว่ามีปัญญาหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ใช่ค่ะแล้วก็เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วมีความทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาท่านเจ็บป่วยควรทำใจอย่างไรดีคะก็นี่แหละก็ท่านบอกมันเป็นธรรมดาคนคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครยับยั้งได้ถึงเวลาจะแก่จะเจ็บจะตา ย, ตายมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่นแสดงว่าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะไม่ทุกข์ก็เฉยเฉย เจ้าค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะลูกป่วยเรื้อรังหลายโรคมีอาการตกใจเวลาอาการกำเริบพยายามตั้งสติก็ทำไม่ได้ขอหลวงปู่แนะนำด้วยเจ้าค่ะก็ฝึกใหม่ไม่ฝึกมาก่อนมันก็ทำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้วันนี้ก็พยายามฝึกสติเริ่มต้นตัน้งแต่แบบวันนี้เดี๋ยววันพรุ่นี้เราก็จะทำได้ถ้ามีสตินะมันก็จะวางเฉยได้ ค่ะคำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะเคยได้ยินว่าเกลียดใครให้แผ่เมตตาจะทำให้คนคนนั้นไกลห่างจากตัวเราจริงไหมคะไม่จริงอ่ะเขายังยังอยู่ใกล้เราขึ้นมาถ้าเราแผ่เมตตาเขาก็ชอบเรารักเราขึ้นมาถ้าไม่ถ้าอยากแยกอยู่ไกลๆก็ทำใจเฉยๆไยทำใจเหมือนต้นเสาเียต้นเสานี่ไม่มีใครไปอยู่ใกล้เราอ๋อมันไม่ได้เลยอยากต้นเสา แต่ถ้าไปแผ่เมตตาให้เขามีทางสุขเขาก็จะติดเราสิไปไหนเขาก็จะตามเราไปหมดทุกแห่งทุกค น, กคนคจกเจ้าค่ะจากทางเฟ e b o o k เจ้าค่ะคุณคณิ t าถามเข้ามาว่าน้อมกราบสอบถามเจ้าค่ะเคยปฏิบัติจนจิตรวมสุขใจไม่อยากออกจากสมาธิเลยคือปฏิบัติมาถูกทางไหมคะถูกแล้วต้องทำต่อไปเรื่อย ต้าทำให้เป็นอาชีพขึ้นมาจะได้ไปบวชได้เจ้าค่ะแล้วเขาถามอีกค่ะว่าแต่พอไม่ได้ทำต่อเนื่องห่างหายไปนานจิตรวมยากมากชีนแนะลูกด้วยเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรคะว่าไม่ทำมันกไม่ทำมันก็ยากเลยเคยทำมันก็ทำต่อไปเหมือนจะได้ไม่ยากก็กลับไปทำใหม่เลยทำใหม่ไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เคยทาอย่างไรก็ทาอย่างนั้น อย่าไปทำด้วยความอยากก็แล้วกันอยาไปหออยากได้อยากได้แต่ไม่ทำอะไรมันก็จะไม่ได้เอาทีแล้วมันสงบเพราะอะไรสงบเพราะเรามีสติสติมีพุโทโธมีพุโทโธแล้วก็กลับไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็สงบได้จชาค่ะคุณวีรศักดิ์ถามเข้ามาทาง Facebook เจ้าค่ะว่าการฝึกสติในชีวิตประจำวันสามารถทำควบคู่กับการทางานได้ไหมครับ ควรมีวิธีทําอย่างไรครับสาสตถูกครับคือถ้าเราทํางานแล้วมีสติด้วยเราจะได้ครึ่งเดียวคือมีสติรู้อยู่งานนอยู่กับงานที่เราทําใจไม่ลอยแต่ใจไม่นิ่งเพราะใจต้องคิดคิดกับเรื่องงานเรื่องการถ้าต้องการใจสมาธิเต็มร้อยคือทั้งนิ่งทั้งไม่ลอยก็ต้องไม่ทํางานเช่นไปอยู่วัดเนี่ยไปอยู่วัดแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีสติ อยู่กับการเดินการนั่งมันก็จะใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้ า, ถ, าถ้าไปทำงานใจมันจะไม่ลอยมันจะอยู่กับงานที่เราทำถ้ามีสติแต่มันจะไม่นิ่งเพราะมันต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานที่เราทำเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่สงบนั้นต้องเป็นต้องเป็นสติแบบทั้งไม่ลอยทั้งไม่ไ ม, ไม่ไม่คิดด้วย ถ้าถ้าถ้าไม่ลอยแต่คิดมันก็จะไม่ไม่นิ่งเวลานั่งนั่งสมาธิมันก็จะไม่สงบอย่างนี้ชอบถึงไม่นิยมทําเวลาที่เ้าคนที่ปฏิบัติธรรมยิ่งมากต้องมีเวลาว่าเวลาที่ไม่มีงานทำแล้วไม่อยู่แลไม่อยู่ตามว่านใจ ป, ปฏิบททัติธรรมเป็นเป็นนักบวชนี่เลยบวชกันงั้นถ้าบวชแล้วก็ไม่มีงานอะไรจะให้ทําต้องทํา เวลาจะได้สติก็จะได้สติแบบทั้งไม่ลอยทั้งนิ่งไม่คิดเร่อนั้นไม่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าได้สติแบบนี้นะเวลานั่งสมาธิมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้เจ้าค่ะคุณเลเดทถามเข้ามาทาง YouTube เจ้าค่ะว่าคนที่รักษาศีลไม่ครบสามารถพิจารณาและเข้าถึงขันห้าได้หรือไม่ครับ ไดมันพิจารณาได้แต่มันหยุดกิเลสไม่ได้แค่นั้นเองมันรู้ว่าขาันห้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มันไปมันหยุดความยึดติดไม่ได้ใจ <ple asure> ยึดติดได้ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ต้องมีศีนก่อนต้องมีสีแปดขึ้ไปอย่างนี้นเข้าสมาธิได้ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ไปคิดทางปัญญาก็เอามาทําประโยชน์มไม่ได้เอามาหยุดความอยากไม่ได้หยุดความยึดติดไม่ได้ จ้าค่ะจากหน้ากุติเจ้าค่ะที่ท่านพระอาจารย์เทศว่าหากเกิดเป็นโสดาบันแล้วจะเกิดอีกเพียงเจ็ดชาเท่านั้นและจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเจ็ดชาที่เกิดนั้นต้องเกิดแต่ลำดับเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีหรือเปล่าคะหรือเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเจ็ดชาเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็เกิดมาเพื่อปฏิบัติต่อไง บังคับบัติให้เป็นพระสกิทาคามีขอเป็นพระนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษยตต่อไปหรือเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเลยเพราะโสดาบันท่านกลับมาเกิดถ้าท่านก็จะกลับมาปฏิบัติต่อท okay? okay? so ่านปฏิบัติถึงจุดไหนท่านก็มาปฏิบัติต่อได้เลยท่านเป็นโสดาแล้วท่านก็ไม่ต้องกลับไปปฏิบัติขั้นโสดาแล้วท่านก็ปฏิบัติขั้นสกิทาคาก็คือไปพิจารณาสุภาษพิจนราสุภา แล้วทําให้ความอยากลดลงเบาบางลงก็เป็นพระสะกิราาคาถ้าพิจารณาตลอดเวลาจะกระช่างความอยากเสพกามหายไปหมดก็เป็นพระนาคาพอเป็นพระนาคาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เดกต่อไปอาจจะไม่ถึงเจดชาติก็ได้อาจจะอีกชาติหนึ่งก็ได้เพราะชาตินี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุตายไปก่อนหรือไม่มีเวลาว่างที่ไปปฏิบัติพ อ, อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คราวหน้าก็มาปฏิบัติต่อ ก็อยู่ที่ว่ามีเวลาปฏิบัติเจริญสุภะได้สำเร็จหรือไม่ถ้าสำเร็จก็จะเป็นพระนาคาถ้าเป็นนาคาก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไม่เกิดเป็นพรมหมอยูแล้วถ้ า, าพิจารณาให้ตัดความยึดติดในพรหมโลกได้ก็จะไปสู่ทรานิพพานได้ต่อไปเจ้าค่ะจากคุณชนะพรทางเ c e บ o o กเจ้า ค, ค่ะ กราบนมัรการพระอาจารย์ตอนนั่งสมาธิมีความเจ็บปวดเมื่อยแต่ก็กำหนดจิตให้นั่งต่อไปจนหายเจ็บนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเราควรฝึกนั่งต่อไปเรื่อยๆโดยสามารถเพิ่มเวลาได้จนเท่าใดถึงจะปรับผลสำเร็จจากการนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะก็ต้องพยายามนั่งให้มากจนกระนั่งใจสงบทั้งวันทั้งคืนอยู่ในสมาธิออกจากสมาธิก็ยังสงบต่อ พอไม่สงบก็กลับไปสมาธิใหม่ต้องพยายามให้ใจสงบทั้งวันทั้งคืนก่อนด้วยสมาธิหลังจากนั้นเราถึงค่อยไปทางพญานาต่อไปจักคุณพีพีเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะพญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าคะถ้าเราบูชาจะได้โชคลาภเงินทองจากพญานาคจริงไหมคะเราก็ไม่เคยบูชาเราก็ไม่เคยเจอเราก็ไม่รู้จะตอบยังไ ง, ไง เ จ, จ้าค่ะจากนาคุติเจ้าค่ะหากเราตายไปเราจะยังได้เจอพ่อแม่ไหม่คะแล้วถ้าพ่อแม่ตายไปเราจะยังได้เจอแท่นใหม่คะก็ไม่แ น, น่นอนอาจจะเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้จะเจอเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แต่การมีว่ายตายเกิดถ้ายังมีการมาเกิดอยู่ ก็อาจจะมีวันใดวันหนึ่งจังหวะอาจจะตรงกันมาเกิดที่เดียวกันมาเจอกันก็ได้แต่ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะเจอกันเมื่อไหร่หรือจะไม่เจอกันเลยก็ไม่มีไม่มีใครประกันได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนเจ้าค่ะจากอินบ็อกช์เจ้าค่ะ กลับนมัธการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอาการปวดหัวข้างเดียวเป็นประจําเราจะข้ามผ่านความรู้สึกทรมานนี้ไปได้อย่างไรพยามองตามลมหายใจแต่ก็กลับไปอยู่ที่อาการปวดอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ต้องดึงใจให้ออกจากมันให้ได้อย่าไปอยากให้มันหายไปมันปวดไปมันเรื่องของมันเรื่องของร่างกายเราเป็นใจเราไม่ได้ปวดไปกับมัน เราอยากไปอยากให้มันหายก็ความอยากให้มันหายมันจะทําให้เราปวดใจเะฉะนั้นเราทําได้ก็คือทําให้ใจเราไม่ปวดแต่ทางปวดทางนัางกายนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายมันจะหายมันก็หายมันไม่หายมันก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าจะอยากจะให้มันหายก็ไปหาหมอดูบางทีหมอก็ทําให้มันหายได้บางทีก็ทําให้หายไม่ได้ถ้าไม่หายถ้าเราไม่ต้องการที่จะปวดใจเราก็ต้องทําใจปล่อยมันปวดไปอย่าไปอยากให้มันหาย เจ้าคะ่ะจากหน้ากุติเจ้าคะ่ะกลับในมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าเรายังฝันถึงคนที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วแสดงว่าจิตใจเรายังนึกถึงคนที่จากไปใช่ไหมเจ้าค่ะก็ฝันนั่นก็คือความคิดนี่วเวลาฝันเราก็คิดอย่างคนเท่าไหร่ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าคะ่ะมีใครอยากจะถามอีกไหม คำถามที่ส่งเข้ามาถามตอบหมดแล้วใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะไม่ถามเจ้าของอยู่เพ่าะใครอยากจะถามก็ยกมือเข้ามาถามได้น้องกัลพระอาจารย์เจ้าค่ะเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดคําว่าพระอริยบุคคลเขาจะจําได้ใช่ไหมคะถ้าเขาเกิดในชาติต่ตอๆไป เหมือนกับว่าเขาจะได้พบจิตผู้รู้มีดวงตาเห็นเห็นโลกอื่นเห็นพูดผีเห็นวิญญาณเห็นหรือว่ามีมีหูทิพตาทิพเป็นบางครั้งค่ะเจ้าค่ะของูวนี้มันอยู่ที่ใจมันไม่ได้หายไปตายร่างกายตายไปของพวกนี้มันอยู่กับใจมันก็ตามไปกับใจใจไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปกับใจ เราจะจําได้เราจะทํา อ, อถ้าเช่นนั้นเราจะทําได้ในชาติถ้าเรามาเกิดใหม่เราจะทําเราจะได้เป็นพระอริยบุคคล<ก>แล้วก็ทํา<ะ>เป็นแล้วไม่เปลี่ยนมันก็เป็นต่อไปมันไม่หายไปไม่เหมือนเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีกลับมาก็อาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ได้แต่ของที่มันอยู่ในใ จ, ม, นจมันก็จะกลับมากับใจ ถ้าเป็นโสดาบันมันก็จะมากับใจถ้ามันเป็นสกิริดาคามันก็จะมากับใจมันไม่มันไม่หายไปแต่ถ้าเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้มันหายไปเวลากลรมมาเกิดใหม่อาจจะเป็นขอทานอาจจะเป็นข้าพรราชบริพาลแทนก็ได้เพราะมันเรื่องของกฎแห่งกรรมอันนี้มันอยู่ที่ร่างกายร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปสมมติที่เป็นก็หมดไป ไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หมดไปกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นลูกคนจนก็ได้น้อมกราบอาจารย์เจ้าคะแต่ถ้าเป็นโสดาบันก็ยังกลับมาเป็นโสดาบันอยู่อาจจะเป็นโสดาบันรวยหรือโสดาโสดาบันจนก็ได้ก็เป็นโสดาบันอยู่เขจาใจไหมโสดาบันกลับมาเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นข้อลูกขอทานก็ได้แต่ใจเขาก็เป็นโสดาบันอยู่เหมือนเดิมแต่ร่างกายเขาอาจจะเป็นต่างกันไป ตามบุญตามกรรมที่เขาทำมาในอดีตกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคมีคำถามหไหมมีคุณวันเพนถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะว่าแนะนำการฝึกสติเบื้องต้นให้ลูกด้วยค่ะ น, ะนการฝึกสติก็กพูดชงไลยนะ ลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธเลยเริ่มต้นก็พอลืมตาขึ้นมาอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้พุทธโธไปเลยคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆเอาแล้วแต่ตื่นขึ้นมาเลยเยจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการฝึกพุทธโธก็คือฝึกสติก็คือให้เริ่มพุทธโธเลยพอรู้สึกเตือนขึ้นมาพอจะคิดถึงคนนั้ น, คน น, นคนนี้ก็พุทธโธพุทธโธไปเลยคําถามจากคุณศรัทธาทางยูทูบเจ้าค่ะ กราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับการให้ยุงกินเลือดโดยเจตนาตั้งใจให้ได้ความเมตตาจะถือว่าการให้เลือดกับยุงจะเท่ากับการให้เลือดมนุษย์หรือไม่ครับได้เท่ากันเป็นการบริจาคเลือดเหมือนกันค่ะจากยู u b e ค่ะ ถ้าทำอาชีพป้องกันกำจัดแมลงแต่ใจก็ทำบุญสดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วต้องทำยังไงดีคะก็ได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปถ้าไม่อยากจะได้บาปก็ต้องเปลี่ยนอาชีพยังไม่มีเข้ามาเจคะ่ะไม่มีเก็ท่านี้ก่อนขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดนิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเธอ